ข้อน่าสังเกตในพระสุตตนตาปิฎกข้อที่15พุทธวจนะเกี่ยวกับพระอานนท์ว่าอานนท์ต่อไปภายหน้าถ้าทรงปรารถนาจะเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยบ้างก็ได้แสดงถึงเจตนาลมของพระองค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอนาคตทรงรู้ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปสิกขาบทบางข้ออาจไม่เหมาะสมและยากจะรักษาไว้ได้ จึงทรงวางหลักการกว้างๆไว้ให้แต่บังเอิญพระอานนท์ไม่ได้ทูลถามว่าสิกขาบทเล็กน้อยคือข้อไหนพระสงฆ์จึงยุติกันไม่ได้เลยมีมติคงไว้ตามเดิมจากจุดนี้เองทำให้พระสงฆ์แตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆต่อมาข้อน้าสังเกตข้อที่16วิเคราะห์มหาปริิพานสูตร 1. เรื่องวัสการะพราหม์เข้าเฝ้าวัสการะพราม์เป็นปุโรหิตของพระเจ้าอาชาติศัตรูกษัตริ์ผู้ครองเมืองราชครืแควนมคตในช่วงปลายพุทธกาลเจ้าชายอาชาติศัตรูถูกพระเทวทัตยุ ย, ยงจับพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารขังคุกให้อดอาหารจนสิ้นพระชนพระเทวทัตเองก็แพ้ภัยตัวเอง ถูกแผ่นดินสูบพระเจ้าอาชาศัตรูได้สำนึกในความผิดมหัน์ของตนจึงเข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธองค์ถวายตนเป็นสาวกนับถือพระรัตนตรัยถวายความอุปถัมภ์แก่พระพุทธศาสนาอย่างแข็งขันหลังพุทธปบริณิพานก็ได้ทรงอุปถรัรมภ์การสังคยนาครั้งที่หนึ่งจนเสร็จสิ้นในเวลานั้นมีแคว้นที่ยิ่งใหญ่อยู่แคว้นหนึ่ง มีระบอบการปกครองแบบสามัคคีธรรมคือปกครองเป็นหมู่คณะเรียกว่าเหล่ากษัตริย์ฤฉวีโดยหัวหน้าหรือประชุมที่รับเลือกขึ้นมาบริหารประเทศผ่านรัฐสภาคณะผู้บริหารอยู่เป็นวาระครบวาระแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่แคว้นดังกล่าวนี้ชื่อแคว้นวัชีมีเมืองหลวงชื่อภาัาลีแปลว่าเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาล ซึ่งก็ภัยสารสมชื่อหนังสืออัธกถาได้อธิบายความยิ่งใหญ่มั่งคั่งของเมืองนี้ไว้มากมายมหาราชแห่งมคทรัฐคือพระเจ้าอาชาสัตรูมีพระประสงค์จะครอบครองเมืองภัยาลียกทัพเข้าตีหลายครั้งไม่สำเร็จสักทีจึงรับสั่งให้วัสการับพรามไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ให้ไปเล่าถึงความแข็งแกร่งของแคว้นวัชีของกษัตริย์ลิชวีให้พระพุทธองค์ทรงทราบแล้วคอยกําหนดจดจำว่าพระพุทธองค์จะรับสั่งอย่างไรพูดง่ายๆว่าอยากให้ไปขอคำปรึกษาว่าทำอย่างไรจึงจะตีแคว้นวัชีได้แต่ไม่กล้าบอกให้วัสการพราหม์กล่าบทูลตรงๆเพราะถ้าทำอย่างนั้นพระพุทธองค์คงไม่ตรัสบอกแน่นอน การแนะนำให้เมืองหนึ่งไปโจมตีอีกเมืองหนึ่งไม่ใช่วิสัยของพระบรมครูแห่งชาวโลกอยู่แล้ววัสการรบพราหมณ์คนนี้คงไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาสังเกตจากคำพูดที่กราบทูลพระพุทธองค์ว่าโพโคตมะค่าแต่พระโคโดมผู้เจริญคนต่างลทัทธิเท่านั้นที่ใช้คำพูดว่าโคตมะกับพระพุทธองค์ สาวกพระพุทธองค์จะใช้คำว่าพันเตวสกาวรพรามกราบทุนพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าอยู่หัวแห่งเมืองราชครืคืออาชาตศัตรูเวเทหีบุตรฝากถวายบังคมด้วยเสียเกล้าวแลว้ววสกาวรพรามได้กราบทุนพระพุทธองค์ว่าพระเจ้าอาชาศัตรูกษัตริย์แห่งมคธรรัตโจมตีแคว้นวัชีอย่างไร ก็ไม่สามารถจะตีแตกได้แคว้นวัชีของกษัตริย์ลิชวีเข้มแข็งเลิศเกินพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสกับวัสการะรามทรงหันไปตรัสกับพระอานุนพุทธอุปถาคซึ่งนั่งถวายงานพัดอยู่ข้างๆ้างตรัสถามพระอานุนว่าเคยได้ยินไหมว่ากษัตริย์ลิชวีมีคุณสมบัติเจ็ดประการอันเป็นทางทำให้มีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อม ทรงถามทีละข้อทีละข้อพระอา น, นุ์กราบทูลว่าเคยได้ยินคุณสมบัติเจ็ดประการหรืออภริหานิยธรรมเจ็ดประการที่เหล่ากษัตริย์ลิชวีประพฤติอยู่เป็นประจำได้นํามาลงไว้แล้ววัสการาพราหมณ์เป็นคนฉลาดพอได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ได้คิดว่าที่พวกกษัตริย์ลิชวีเข้มแข็ง ข้าศึกศัตรูไม่สามารถเอาชนะได้เพราะมีความสมัครสมานสามัคคีกันทางเดียวที่จะตีแตกได้ต้องหาทางทำลายความสามัคคีของเหล่ากษัตรธธิย์ลิชวีข้อนี้เป็นความฉลาดของวัสกาลรพราหมเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านชี้แนะแต่ประการใดจะหาว่าพระองค์ทรงบอกใบ้หรือชี้แนะให้กษัตริย์สองเมืองรบรากนนั้นไม่ถูกต้องแน่นอน เพราะพระพุทธจริยาวัดของพระองค์ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระมหากรุณามุงให้สรรพสัตว์รักใคร่ปลองดองกันฉันญาติพี่น้องส่วนใครฟังเทศฟังธรรมจากพระองค์แล้วจะนําไปคิดไปใช้ในแง่ลบเบียดเบียนคนอื่นเป็นความผิดของผู้อื่นเองหลังจากวัสการพรามณ์จากไปแล้วพระพุทธเจ้า ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วส่งแสดงอปาริหานิยธรรมคือหลักแห่งความไม่เสื่อมสำหรับพระภิกษุไว้หกในในที่นี้จะขอนามาให้รับทราบไว้สองในคืออปาริหานิยธรรม7ในที่หนึ่งหมันประชุมกันเนืองนิด 2. พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม รอมเรียงกันทากิจสงที่จะต้องทำา 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติไม่ล้มล้างสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ 4. ภิกษุเหล่าใดเป็นใหญ่เป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายก เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเห็นถ้อยคําของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟังตีความง่ายๆก็คือให้เคารพพระผู้ใหญ่เชื่อฟังคําตักเตือนสั่งสอนของพระผู้ใหญ่ 5. ไม่รู้อำนาจตันหาที่เกิดขึ้นหมายความว่าไม่ตกอยู่ในอำนาจความทยานอยากเพราะความทยานอยากจะชักจูงให้ออกนอกธรรมนอกวินยัย หยินดีในเสนาสนะป่าคือยินดีอยู่อย่างสงบในป่าในดงเตั้งสติระลึกเสมอว่าเพื่อนปรมจารีที่มีศีลที่ยังไม่มาก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขหมายความว่ามีความปรารถนาดีต่อเพื่อนพระภิกษุที่ทรงศีลด้วยกันยินดีต้อนรับให้ท่านเหล่านั้นมาอยู่ด้วยกันอย่างพาสุข อภริหานิยธรรมเจ็ในที่สองหไม่มัวเพลดิดเพลินในการงานต่า ง, างๆเช่นการเย็บจีวรการทําบริขารการก่อสร้างจนเสียการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรม 2. ไม่มัวเพลดิดเพลินในการพูดคุย 3. ไม่มัวเพลดิดเพลินกับการนอน 4. ไม่มัวเพลิดเพลินกับการคลุกคลีด้วยหมู่คณะคือการครบหาสมาคมกับคนมาก 5. ไม่มีความปรารถนาลามกไม่ตกอยู่ในความปรารถนาลามกผิดสมณะวิสัย 6. ไม่คบมิดชั่วที่ชักพาให้ประพฤตินอกธรรมนอกวินยัยเป็นอลัชชี 7. ไม่นิ่งนอนใจพยายามฝึกฝนตนเพื่อให้ได้บรรลุคุณในวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าพระภิกษุทั้งหลายปฏิบัติตามนี้เคร่งครัดรับรองได้ว่าจะมีแต่ความเจริญในพระศาสนาไม่มีความเสื่อมเลยกล่าวถึงวัสกาบพราหมณ์หลังกลับจากเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะไปทำอะไรนั้น ระสูตรนี้ไม่ได้พูดถึงแต่เราทราบจากแหล่งข้อมูลอื่นว่าวัาสการาพราหม์ได้ไปกราบทูลพระเจ้าอาชาศัตรูให้ไปตีเมืองไผศสารของกษัตริย์ชาวีโดวยวางกลอุบายอันแนบเนียนคือแผนยอมเจ็บตัวในที่สุดก็สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้แผนยอมเจ็บตัวที่ว่าก็คือ ให้พระเจ้าอาชาสศัตรูสั่งให้โบยด้วยหวายจนเนื้อแตกไปทั้งตัวแล้วก็ให้ไปปล่อยไว้ชายแดนเมืองไผ่าลีหนีไปเข้ากับราชสานักเมืองไผ่าลีพยายามทำตนให้เป็นที่โปรดปรานของพวกกษัตริย์ลิชวีจนได้รับความไว้วางใจตั้งให้เป็นพระอาจารย์ของยุวกษัตริย์ลิชวีทั้งหลายเมื่อได้โอกาสวัสการพรามณ์จอมเจ้าเล่ ก็ยุยงให้เจ้าชายน้อยๆของพวกลิชวีแตกกันเมื่อลูกๆทะเลาะกันก็ผ่านพาให้พ่อแม่ทะเลาะกันไปด้วยเพราะต่างฝ่ายต่างก็เข้าข้างลูกของตนเมื่อแน่ใจว่ากษัตริชวีผู้เกรียงไกรแตกสามัคคีกันแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายก็ส่งข่าวไปยังกษัตริย์แห่งมคธรัฐไม่ใช่ให้มารอเสียบแต่ให้ยกมาขยี้ให้แหลกลาเลยทีเดียวแตที่สุด แคว้นวัดชีก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของแคว้นมคตภายใต้การปกครองของอาชาศัตรูมหาราชเรื่องนี้จิตบุรทัตกวีเอกแห่งรัตนโกสินทร์ได้รจนาเป็นคำฉันไพรเาะเพราะป ร, ริงมากใช้เป็นหนังสือเรียนของเด็กไทยสมัยก่อนชื่อว่าสามคขีเพศคำฉันเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วกระมัง ถ้าอยากรู้ว่าคนรุ่นปู่รุ่นพ่อเขาได้ศึกษาวรรณคดีที่มีอัทธรสลึกซึ้งกินใจจนท่องบทอาคยานขึ้นใจกันอย่างไรก็ขอให้ไปหามาอ่านดูข้อมูลเกี่ยวกับวัสการพรามน่าสนใจแกถือตัวว่าเป็นมหาอมาตย์ของราชสำนักมีความรู้ดีจึงไม่ค่อยเคารพพระสงฆ์ข้อนี้ยืนยันว่าวัสการพรามไม่ใช่ชาวพุทธ ว่ากันว่าพระนิยะถูกหาวาลักไม้หลวงจนเป็นต้นเหตุปาราชิกสิกขาบทที่สองก็เพราะวัสการพรามเป็นคนเอาเรื่องครั้งหนึ่งเขาเห็นพระมหากจัจยานะเดินลงจากเขาคิดจกูดพูดขึ้นว่าท่านรูปนี้เป็นเหมือนลิงเมื่อมีผู้ขอให้ไปขอขมาเขาก็ไม่ยอมภายหลังพระพุทธเจ้าทรงทราบ ตรัสว่าถ้าวัาสกา ร, ราพราหมณ์ไม่ขอขมาท่านมหากัจายณนะตายไปจะเกิดเป็นลิงในพระเวลูวันวัสกา ร, ราพราหมณ์ได้ยินก็กลัวจะเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ไม่ยอมขอขมาพร ะ, สะแสดงถึงความมีทิฏฐิมานะเหนียวแน่นจริงๆจึงไปปลูกไม้ผลไว้มากมายในพระเวลูวันเพื่อเกิดเป็นลิงจริงตามพุทธพยากรณ์จะได้มีผลไม้กิน ว่าอย่างนั้นเถอะข้อมูลนี้มีบันทึกไว้ในอัตตกะถาทีฆนิกายโดยพระอัตตกะถาจารย์นามว่าพระพุทธโคสาจารย์